มองกว้างออกไปเห็นคนอื่นๆถูกมัดอยู่ตัวเองไม่มีอะไรต้องวุ่นผวาวงอีกแล้วก็เอาแต่เที่ยวแก้มัดคนอื่นต่อไปในทางหลักวิชาถือว่าวิชาเป็นมักส่วนวิมุตต์เรียกคร่าว่าเป็นผลแต่ตามตำราท่านแยกวิมุตตละเอียดออกไปเป็นสองตอนคือเป็นทั้งมักและทั้งผลกิริยาที่หลุด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 สำเร็จที่วิชาและวิมุตตส่วนเรื่องที่จะทำเพื่อคนอื่นหรือปราร t h เป็นกิจของการุณารับช่วงต่อไปอนหนึ่งเพิ่งสังเกตว่าในบรรดาองค์ธรรมทั้งสามคือวิชาวิมุตตและการุณานั้นวิมุตตเป็นภาวะฝ่ายผลพูดอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นภาวะเสร็จงานและเป็นภาวะเอื้ออานวยแก่การทางานต่อไป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 หรืออัตติหิตะสมบัติกรุณาเป็นแกนนำของปรตตะหรือปรหิตะปฏิบัติในคำพีมากหลายจึงนิยมย่อพุทธคุณลงเป็นข้อหลักสองอย่างคืออัตติหิตะสมบัติมีปัญญาเป็นตัวทำการและปรหิตะปฏิบัติมีกรุณาเป็นตัวทำการแต่อัตาิหิตะสมบัติและปรหิตะปฏิบัติต ท, ตตตตตตทั้งสองอย่างนั้น